บ k ๊กทูแปดสิบแปดอักติน e ักตักอดีตการของกริยาช่วยสองลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา ไ y ่เซียนว่าว e ี้ไม่ที่ปุ๊บสปิลนี่ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล my ่ด็อกเตอร์ว ni วนี้ไม่ที่สกอตเตอร์บอลสปิลสามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉันไม่เฟ้าว่า met m ไม่ไปิล ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น My kinders w o u n i ja e g er oh a a n stapni e พวกเขาไม่อยากจัดห้อง h u l l e w i l n i e die k a m e r o p r u i m n i e พวกเขาไม่อยากไปนอน h u l l e w o u nicht betu gani a n e เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศครีใ ม, รมใหมาคณีร่มไอส์เยนีเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลตใหมาคณีช็อกโกแลตเย็ดนีเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวานใหมาคณีเลกเกอร์คูตเย็ดนี ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพรดิฉันได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดดิฉันได้รับอนุญาตให้หยิบช bon ็อกโกแลตดิฉันบอนุยิ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 เด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลาในวันหยุดสามารถเดกเล่นล่าท้ายได้พวกเขาเล่นที่สนามได้นานเขาเล่นในที่รร้างสปิลพวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้เขา a ล่นล่าท้าย